ลองฉันมาแล้วบริการที่ต่อกันสองวันพาเลยเมื่อเกิดทุกอย่มาดังเลยบริสติขาดองนี้ เราจากตายในเทวบุัพคัมภาวนาแน่เวลาเผาเวลาสดแต่คนพูดกันมาดูกองหนุ่พูดไปนนคนคนตายมัาเรื่องคนเป็นหนังเนย ความตายไม่ใช่ความอย่คุณไม่ใช่ตนนันพอทั้งไม่อยากมันก็ตายมันไม่ใช่แก้ด้วยกันทำให้ตายเอาพุท ธ, ธวิธีหรือวิธีการที่คุเจาสอนเราเรียกว่าพุท ธ, ธวิธีตั้งแต่ หลงังจากที่พระองค์ตรัสรู้คนนึกถึงคนที่จะไปโปรดว่าเราพูดแล้วคนอื่นเข้าใจเ้าก็าไปฏิบัติตามได้ <c oughs> เมืกอร วัวมาไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยทิฏิหรือความเห็นที่มีอยู่ในยุคนั้นในยุคนั้นเขาก็มีครูที่เป็นเรียกว่าบรมครูหลักๆใหญ่ๆหกคนที่ดูดิที่เป็นพเเป็นผู้นำ ในยกตนนันวันแรกหลังจากเซอร์ไสวัที่สุขอีกเจ็ดวันที่หละเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าวันเดอนกว่าเขาพิจะนาซ้าแล้วซ้าอีก คนนึกถึงเนนึกถึงประจวบคีรีที่เราสุกเพื่อทุกด้วยกันมเ ร, เร็วว่ากลุ่มสมอเรอบางคนก็ปลดปก่อนพระองค์ให้ยอมไปจนคนทันยะจริงจรนะิงนก่อนหนาะนั้นก็นึกถึงครูครูคนแรกที่สอนสอนทุกเรื่องทั้งทางโลกทางราทรรเกยะทิธรรมางสมาบัติ แต่เรากดว่าเราบข่าทำอะไรทั้งนั้นสมายตายจากกันหมดแล้วทํำไมนึกถึงครูเพราะว่าสองคนยังมีพื้นฐานแต่รูปประจำต่อรูปประจำเป็นความรู้คนน่าจะสอนง่ายแต่ว่ารูปประจำแต่ว่ารูปประจำก็ น, น่าจะไปต่อได้ ว่าพระโขดวาท่านเหล่านั้นก็ไปดีแล้วขอทักทูพระเจ้าขี้ท่หนที่ดูแลแปลว่าในระหว่างขางจริงๆแล้วผามคนนี้ น, น่าจะได้รับอนสงฆ์คนแรกเจอผู้เจ้าในระหว่างทางผู้เจ้าพยายามที่จะแสดงธรร แต่พรางวันนั้นถามว่าใครเป็นครูของท่านขอได้จะหมายั้งครูทั้งหกมาจากสำนักไหนวพวกยังไงเนี้ยล้วะเราตอนนั้นไชครูเขาไม่ได้เป็นครูเาะตอน้นเราตัดรู้คือรู้เองทำเองอเข้าใจเองพรางวันนไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้ สิ่ที่มีครูเป็นใบไม่ตาปฏิเสธกเลยไม่ได้รับอ่านอิสงเห็นไหมแปลว่าการเหยื่อในพุทธเจ้าก็มาได้ไปได้าอานอิสุ่งทุกคนเห็นด้วยรับอาอิสุ่งกระกอบที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันในอดีตประาร มันไม่ได้เห็นกันง่ายๆแล้วก็เชื่อฟังกันง่ายๆก็เจนสุดท้ายจเจอพระเจ้าวักคีอพระเจ้าพักคีก็ไม่ยอมเพราะว่าพระองค์ละของเพียรไปแล้วจึงเป็นไปไม่ได้อยากทรมานทุรกรรมบนเป็นตุวทัศนียากลับมาโศยพัศนาย์ก็เป็นไปไม่ได้ คนนัดกันว่าเราก็ไม่ต้องพูดต้องยาต้องอะไรแกไม่คิดลุกขึ้นรับเฉยๆวันนี้อะไรเกิดขึ้นกูเจ้าก็พูดต้งองนอนเราเคยพูดอย่างนี้ไหมเธอเปียนแปลงอาการอย่างนั้นเธอเคยไดีอย่างนี้ไหมคนรักษณาเขากูเจ้าต้องบอกว่าคือพูดอย่างไรทําอย่างนั้น ภ า, าษาบาลีถนัดภาษาวาตีภาษาการีนิกถอดตเป็นภ า, าษาบาลีมาเขาวัดตรัสอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรตรัสอย่างนั้นเป็นภาษาทางการถ้าเหล่านั้นก็จะจุกโดยตัวเองบ่งไ ม, ม่เคยพูดด้วสิ่งเหล่านี้จึงได้ยอมรับยิ่เป็นที่มาของ ห้าคนแรกคือฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากร้์ท่าเร่อต่อใจคอเ ม, มียธรรมมาจากก็คงจะประมาณนี้นออรนเรามามองสภาพรวมันยุคเราที่เป็นปัจจุบันเราเชื่อพระพุทธเจ้าจริงไหมพระพุทธเจ้าถ้าให้อย่างไม่มีเราเชื่ อ, ย อ, ยอคือพุทธวิธียาเรียกว่าพุทธวิธีของพระพุทธเจ้า ถ้าใครที่ไม่มีู่ที่ทานมาก่อนท่านก็จะปูพื้นฐานนี้เสรนเซึ่งตนอย่างอันมีน้่งใจให้กันคือทางปันแบบปันของเอื้อเพือเอื้อเพแสดงด้วยความมีน้ำใจให้อันพรวนการให้ทานอยูเป็นเบืน้นองกันยึดเหนี่ยวจิตใจของกันแล้กันพอเอากระพุ่งไม่ การใน้ทานคือชนะความตเนืของตัวเองชนะคนตเนือด้วยการให้ชนะความกระเนืด้วยการให้นี่คือเบืองต้นและเป็นเสียงที่พูดเจ้าใช้เยอะมากในชีวิตของพระองค์ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีสี่สิบห้าปีทีกัร ลำดวนจากการสุดท้ายก็ถือต้องหาทางออกพลานาเรื่องกันให้ก็อันที่สองเสร็จแล้วไปของจะไปสวรรค์ลานโทษของกามที่ตัดเกิดเป็นคนกับพ่อแม่กามที่ตัมาคุณสุดท้ายที่สุดกันเดือดออกจากตอนก็คือในคำะโดยคนหนังในคำะข้กงไงไกากันพูดง่ายๆภาษาเราคือกันที่ไม่ใช่กาม เหมือนเชิดพ่ะสององค์จาก2สององค์หนึ่งกเคยไม่ใช้บริการการมาคนพูตรงๆรงกคยไม่มีไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีครอบครัวเด็กอนาคาด้วยความหมาไม่ใช่ว่าไร้บ้านเหมือนคนไร้บ้านอย่างไม่ใช่มีบ้านมันก็ไม่มีบ้านผู้ใหพลทรมาร์ลักษณะ โดยพื้นาฐานเพื่อปูฐานคือสร้างความเชื่อเมื่อบุคคลเหล่านั้นพร้อมก็จะใช้วิธีสนทนาแค่วิธีตั้งคำถามคือโจดังนนช่วยกัรขอบคิดเพราะวิธีนี้ในสมัยนั้นในสมัยพุทธกาลเขาจะใช้วิธีกันอย่างนี้ เชื่อนตั้งสถาฐานขึ้นในตายแล้วไปไหนสมมุติอย่างนี้ในสถานั้นก็จะเป็นเป็ น, ปนข้อจกเสียงก็เรียกว่าโตวาทีโตวาพราครูทั้งหกก็จะเป็นย่ายะต่างคนขึ้นมาพูดี่วยแสดงแสดงความเห็นคนก็เห็นด้วยถ้าเป็น ตัวทีก็ฝ่ายเสนอฝ่ายค้านก็ยังง่ายเหมือนกันฝ่เสนอเห็นว่าอย่างนี้ฝ่ายค้านก็เห็นว่าอย่างนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้ว ย, วยแต่ไม่มีการถะเลาะเบาแหวกนี่มีการชกต่อยเกี่ยวกับความกลัวข้อสรุปนีคือการเสืงหากันอู่การเสื่อหางยุติเป็นเรื่องทีง่งอนงามมากเลยตรงนี้ผมแสดงว่าทุกคนเห็นต่างกันหมด แต่สุดท้ายต้องมีข้อยุติในสมัยนั้นเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าก็ใช้วิธีตั้งมหลายเรื่องหลายประเด็นในหลายบุคคลถ้ายัางไม่พร้อมเรามีมวความอยู่กินก่อนไม่ว่ากันแต่นี้เป็นต้นอย่างนีันพรพุทธวิธี กัดสอนของผู้ใจเจ้าซึ่งไม่เหมือนแต่ที่สำคัญก็คือผู้ใจเจ้าของเรามันไม่เหมือนกับพวกเราเหมือนก็บคาารูาอจาท่านจะสอนใครท่านรู้ที่มาที่อยู่ที่ไปคือรู้เหตุปัจจัยนั่นก็หมาว่าก่อนหน้านั้นหลังจากภารกิจทั้งวันเกี่ยวกับมนุษย์ ก็กจสว่างท่านก็จะเชพชจารสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นเราจึงเรียกว่าศรัทธาเทวะมนุษย์ศาลนัง่งครูไม่ได้สอนมนุษย์อย่างเดวคือไม่ได้เป็นครูสอนมนุษย์อย่างเดียวเป็นครูสอนัเทวดาและมนุษย์ถ้าพูดง่ายๆทุกวันก็อยู่กับมนุษย์เนี่ย คือก็อยู่แถวเทวดานเราจะได้ยินครูบาอาจารย์ผู้ประจาของสายเขาเนีจากเกกคดีจากเรื่องเราดีจากพระอุปบากาดีที่เราทำนองว่าผู้เจ่งแต่ผู้เจ้าท่านรู้สรู้ที่มาที่ไปรู้อดีตแล้วก็รูปปัจจุบันรู้ที่มาที่ไปสองคนนั้น แต่ยกตัวอย่า ง, นงในยุคของพวกเราเป็นเรื่องเราเกิดความรู้ต <c oughs> อนนี้พูดถึงลูกผู้ขาวผู้ขาวอนาลาโยอย่าให้เราศึกษาประวัติครูอาจารยไม่ใช่แค่คําสอนกว่าจะเป็นลูกผู้ขาวมาได้เราอยา่พูดถึงอดีตที่เรามองไม่เห็นที่เราไม่รู้ เอาแคตทีเป็นปัจจุบันก็คนธรรมดาทำมาหากินแต่งงานมีพรอบครัวมา ก, ก่อนเหมือนผู้เจ้าเป็นพอ่อค้าคารีหหอันนาย้อยเป็นพ่อค้าต้อนโวต้อนคอยไปขายต่างดินต่างบดนท่าอาสารยคารีหหอันนาย้อยต้องมีความรู้บ้าง มีความกล้าที่จะขันกนต้องมีอาคมคือคาถาอาคมถ้านมีอยู่ไม่ได้ของภูเขาก็ประมาณนี้อันเนื่องจากไปทำมาค้าขายต่างที่ต่างถิ่นบ่อยๆแม่ บ, บ้าน ไม่บานกับว้าวูพรไม่ีเวลาสุดท้ายก็ไปทำสิ่งที่มันไม่พึงประสงค์ผิดการเมือมิชาจารย์ลูกปู่ซึ่งตอนนั้นก็ไม่น่าจะเรียกลูกปู่หรอกกระแดรราคาเลีายมาน่อนได้ยุดแอบก็ไม่เชื่อถึงครั้งหนึ่งบอกบอกว่า บอกครอครัวบอกพ่อยาว่าจะไปเนี่ททำไมจะมาข้องของแต่ว่ากลับกลับมาก่อนจึงได้รู้ได้เห็นได้ไปจักต้วต่อรับไม่ได้จึงนั่นจะโอชีวิตเลยเสื่อมพวงต้องตายกันไปข้างหน้าจึงได้สติเห็นไหมคาว่าสติสำคัญขนาดไหน เคออะได้สุดถ้ายก็หาทางออกหาทางออกก็ดำเออกจากกาแมนะ่นะนึนคำมั่นที่พุทธเจ้าสอนนี่แหละก็คือคำว่าบวชนะี่ขขงเกิดประสบความสาเร็จแต่ว่าเรื่องที่จะเราเนะี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตคอเป็นธรรมเรื่องเราที่เป็นหลางชื่อท่านมีคุณธรรม อีกครั้งหนึ่งท่านอันนี้เรื่องเล่าทัดจริงในงานงานท่านก็เห็นได้สวนท่านเล่ากับเปรด้วยสองตัวน่าจะเป็นตนเปดตนหนึ่งเป็นเสือตนหนึ่งเป็นงูเหลือมและฐานจะไปยังไงทำไมต้องเป็นเปรตเป็นงูเหลือมเป็ดเสือ เกก็เล่าใ้ฟังไปเป็นหัเนวรเรือก่อนเป็นหัวเรือเล่าใ้ฟังว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าหรือตัวข้าเนี่ยหรือผู้ค่างเนี่ยใชาสาันเกี่ยวผู้ค้างข้าคือข้าพเจ้ามาก่อนก็เป็นคนเป็นมนุษย์นี่แต่วันืน่องกมีความโลภ ภาษสความโลภเป็นหลักโลภอย่างตัวเองไม่มีแต่ว่าสแสวงหาให้มันมีในทางที่ไม่ชอบพระอาินาถก็แต่คือทรัพย์สินที่ได้มาได้มาด้วยการต้นที่จกจริงวิ่งนวงน ง, งบางทีเติมกับชีวิตไม่คำนึงถึง ขอให้ได้มาซึ่งซ้ำซ้ําแล้วซ้ําเล่าใช้ชีวิตยอยู่อย่างนี้ภาษาเราจะเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วความโลภดูโลภอาจจะเรียกว่าทินาทานก็ไดกว่าอะไรก็ได้แต่ยังไงก็อยู่ความโลภเราถ้ามีความโลภกาคงไม่ทำด้วยเหตุแห่งความโลภอันนี้เมื่อ สิลมหายใจเหมือนตอนนี้เหมือนจะนที่ยึดสวดตอนนี้ยก็กลายเป็นงูนเหลือมแทงงูเหลือมยังไงก็คือเฝ้าทรัพย์เพราะว่าได้มาแล้วไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดใช้ไม่แทนก็เป็นห่วงซัพย์ตัวเองที่มีอยู่ก็กลายมาเฝ้าทั้งๆ ท, งที่ใช้ไม่ได้แล้วแต่ยังมีปิติ ยังมีว่าเออยังมีเอายังมีทรัพย์มีสินในใจแต่ใช้ไม่ได้เราก็ต้องระวังข้อนทรัพย์สินที่เรามีอยู่ม่าจะเป็นสังหารีหรือทรัพย์อสังหารีหรือทรักรณีเมื่อเราหายต่จากไปแล้วอ่ะมันไม่เล่นใครนะถ้าจิตมันเศร้าหมองในสมัยพุทธกาลก็มีพระติสระโกละที่ตายไปแล้ว เพราะเจีวันถวายแล้วก็ถึงใครไปตายดูกลับเป็นห่วงเจีวันไม่เป็ห่วตายก็เป็นเลนเฝองเจีวันพอทั้งหลายก็พยายามที่จะอนั่นไหนก็ตายไปแล้วไม่ได้ใช่แล้วขอมาใช้ดีกว่าเอา ม, มาแบ่งกันดีกว่าแต่อเจ้านั้นจะเป็นเล็นเฝ้าชียวรนอยู่เลนก็นสัย์เล่นแล้วตัวกเองเหมือนเหลือเหมือนในความทราบเป็นผู้แต่ เรจะโอตายแล้วถ้าอย่างเงี้ยติดสาตกนรกแล้วเป้ห่วงเนี้ยก็เลยบอกเอาไว้ก่อนให้มันเลยเจ็ดวันของเป็นที่พักของเราทําบุญครบเจ็ดวันก็ทําบุญทุกวันเนีจ็ดวันนะเจ็ดวันนึเพราะยังไม่ไปไหนมาไหนคือยังไม่รู้ตัวเองว่าตายพูจิตมันไม่ได้เข้าใจตัวเองว่าตายแล้วตัวเองยังมีชีวิตอยู่เหมือนฝันเนี่ยเหมือนเราฝัน เราก็ไม่คิดว่าเราตายตอนเราฝันเพราะที่เราจังเป็นอยู่จป็นเรื่อสติกันเองก็หลังจากเกดวันแล้วถึงจะเกิดเอไอ้เจ้างเูเหลืองไว้เช่นเดียวกันก็อย่างเข้าใจว่าทรัพย์สินเวลาเป็นความ ท, ทุกข์เองดีความโลภเหตุคือความโลภจึงได้เป็นเช่นนี้เพราะเรากลัวบางอยงเ่เป็นงูเหลืองมามาทั้งจีริก็ามาเฝ้าเนะี่ยมันไม่คุม อันนี้เจ้าเงาเลส่วนเจ้าเสือลุโงโอ๋ก็ถามว่าทำไมจึงมีเป็นเปรด น, นั่นคือเปรดนคือรปูปร่างใบหน้าเนี่ยเป็นเขามันมีหนวดเขเหมือนเสือเนะี่ยเป็นคนทุกอย่างมันเป็นเสือ่ทําไมจึงเป็นเช่นนี้พระเจ้าเสือพลังขู่าพระเจ้าเนะี่ยใช้ชีวิตยอยู่ด้วยโทสะ โทสะคือจิตปทุสร้ายก็ไม่ได้เป็ว่าโทสะโดยสันดานโทสะที่บันจรมาแต่ปรากฏว่าเมือ่อโทสะเกิดขึ้นแล้วมัวหงหลงลืมบริภาพไม่ว่าจะเป็นสันมมาพระมงค์บุพการีหรือคนอื่นใดก็ไม่เกี่ยวข้องเลยมีความโกรธแคบงำ ดาบริภาท พ, พูดถึงคนเหล่านั้นทั้งๆที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยดูความโตดดูความมโหจิตที่มีโทษอันทุกข์ทรายแลย้วหน้ามืดตามัะไม่เว็นไม่มีข้อจะเว้นใครทั้งสิ้นถ้าโกดขึ้นมาความดีความไม่ดีเมตาจไม่ไมีเหลือไม่ต้องไปพูดถึง บทของความโกรธผู้ลองละโอบนโปนไดโกนเราเป็นอย่างนี้ไหมในสภาวะที่จิตที่เราความโกรธครอบงำเราตมันแกบอะไรใคารไม่ได้บุพการีแล้ได้จนรู้อู่ผูมิในขนณะของอุตสาหะครับพวกความเทพเป็นร่วงเกินคนอื่นด้วยวาจาหรือด้วยการกระทําก็ดีทางท่านที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เสียเพ่มข้น พ่อแม่บรรพบริพี้ปกครองเป็นต้นก็ไปด่าไปบริภาคยกเอาสิ่งสาราสัตว์เปรียบเทียบให้เขาเป็นกันกว่าคนเจนไอหาไอเงี้ยไอสัตว์อย่างนี้เป็นต้นหนักใจในขณะนั้นถัดมข้าพเจ้าเอาไปเปรียดที่เป็นร่างกายในเสือแต่เป็นเปรีดในร่างของเสือ เพราะเพราะโทสะความงงดงนั้นนิทานเรื่องนี้หรือว่าเรื่องนี้ที่อุปสมบมาสอนให้เรารู้อะไรสอนให้เรารู้ว่าโทสะนั่นคือไฟไม่ใช่คำหนึ่งว่าไฟก้าขกตีนังโทสะตีนา่าม้อหักตีนา่าที่บูชาโปรดเช ด, ดิณสามพี่น้องที่เขาบูชาไฟพ ร, ระองค์ก็ยกอกรณีขึ้นมา นี่คือพุทธวิธีในการสอนบอกเขาเหล่า น, นั้นอยู่กับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรสอนอยังไงที่เข้าใจง่ายาเพรอเวลาครับูชาไฟกันแล้วก็วต้องพูดเรื่องไฟเราจะรียกว่าพุทธวิธีคือวธิธีสอนขอ น, นะครับพระเจ้าพระองค์เจ้าที่เคเช่นเดียวกันรด้วยความที่เป็นจิตที่เป็นโทวสักคือไฟธรรมชาติของไฟมันก็ไหม นั่นคืาธรรมชาติของเขาเลยเกิดที่ไหนก็ไม่ที่นัานไม่ยังาะความร้อนอันนี้คือธรรมชาติของไฟใจของพวกเราก็เช่นเดียวผัถ้าใจมันร้อนมันก็ไม่ไม่ไฟไฟตัวเองเลยไหม้ลนซันความโกรธความโกรธมันความเพราะฉะนั้นตัวที่จะปราบผู้นี้ได้ว่าจะเป็นโลภะก็ โทสะก็ดีจะมีอิทธิพลเราก็ะไรนั่นก็คือสติเองที่เป็นฉน ะ, ะ น, น, ออนันก็เพราะสติมันขาดสติมันอ่อนสติมันนอนทําไมถึงเรียกว่าสติมันขาดสติมันอ่อนเพร้อมจิตในขณะนั้นโกรธหรือโวโทสะขึ้นมาไม่มีสติในขณะที่โกรธคือไม่รู้ว่าตัวเองโกรธจิตเราไม่มีสติคือ ร, รุนแรงขึ้นาเลย ตัวเรีอกคนที่มีสติใ น, นขณะที่โลภโลภนั่นจะหมายถึงจิตไม่เกี่ยวกับร่างกายจิตเมื่อเกิดความโอภขึ้นมาเนี่ยสติการเรียนได้เขินมันนไม่มีแต่นี้สมาธิปัญญาที่ตามามาเกิดเกิดได้อย่างเดียวสมาธิคืออยู่ความมั่นอย่างเดียวจ น, ค ว, ค, วมมนความโลภเกจะมุ่งมั่นเรื่ความโลภกันเนี่ยมีสมาธิเหมือนกันนะแต่หนทางที่ไม่ดีมีความมั่นองแต่ทางที่ไม่ดี แล้วมันไม่เกิดปัญญาสุดท้ายปตายทางถึงไม่เกิดปัญญาครค่าที่แล้วถลวงพ่อพูดว่าเอาตรงกลางนะ่นคือจิตนะไอ้สามคำนั่นคือสติสมาธิปัญญาใช้กับอะไรใช้กับจิตเพื่อจะได้รู้ว่าจิตตัวเนี้ยเมือ่อมันเป็นกุศลฝ่ยายที่ฝ่ายโน้นกำลังสวดอยู่ตอนนี้ยกุศลทำมอ า, ามอกุศลทำมาอภิญญากรไดาษมาเพื่อเพื่อจิต จิตเป็นกุศลก็ไม่รู้จิตเป็นอกุศลก็ไม่รู้เพราะไม่มีปัญญาคือขาดปัญญาที่เราฝึกอยู่ทุกวันเพื่อเกิดสติสมาธิแล้วก็ปัญญาแต่สุดท้ายคือพ佛教佛教ของเราสอนเนี่ยสอนให้เราเข้าถึงความจริงอยอมรับความจริงเรียกว่าอาริยสัจ คุณล อ, อ่าแล้ไ่พูดถึงแต่ตัวนี้เราจะเข่าถงคือสัตว์คือสัจจานะคือว่าเราไม่อยู่กับความจริงเราอยู่กับความทุเข่นทุกข์คือคมแรกทำไมพวกนุ้ยแช้กับว่าทุกข์เพราะว่าอันนั้นมันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นผลมันเห็นแต่สมุทยมันไม่เห็นเพราะจะพะนั้นจะสอนเห็นสิ่งง่าย ๆ, ๆคืออยาบ ที่เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้นะทุกข์แล้วก็เหตุเขามันเป็นอย่างนี้เนี่ยครูจะสอนสอนนั้นมันคือนี่คือความจริงที่เราใช้เอาความจริงทํำยังไงกับความจริงข้อนี้พระพุทธเจ้าบอก ว, ว่าทุกข์นี่มันลไม่ได้พระพุทธเจ้าในกระเช้าปริยยะคือกําหนดมันทําให้ละไม่ได้ดใยยดห้ ม, ห ม, หมันดับ ในความหมายของท่านตัวให้กำหนดรู้อะไรรู้ความจริงคือรู้ที่มารู้ที่ไปรู้เหตุดูผลรู้ว่าคือมรนทุกเนี่ยมันจะได้หาทางองหาทางให้มันดับก็คือมีโทดเมื่อรู้สาเหตุแล้วมันถึงจะดับนี่เราไม่รู้สาเหตุมันก็ดับไม่ได้นี่คือความจริงทุกเนี่ยต้องกำหนด้ือกลับมาถามพวกเร า, าทุกครั ที่ทุกเกิดขึ้นกับเราจริยกว่าทุกขเวทนาเนี่ยเลยไดเป็นสุขเวทนาก็ดีทุกขาวาตเนี่ยอุเปคขาเวทนาก็ดีเดี๋ยวว่าทุกขาวาาก็ ว, ว่าทุกขเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราเคยกําหนดมันนะ้งเนาะถ้าไม่เคยกําหนดก็แปลว่าข้อแรกเดียวยังทําไม่ได้เรายัางไม่มีความเข้าใจใสิ่งเหล่านี้เลยแล้วที่ทําอยู่ทอาอะไร ที่พยายามอยู่ทุกวันนั้นก็ทําอะไรในเมื่อเราไม่กําหนดสิ่งเหล่านี้เลยะมันเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อุเปกขาเวทนาไม่มีเลยคือวางสุขวางทุกขไม่ได้ยังไม่พอพอทุกขเวทนาปรากฏไม่อยากมันอยากให้เป็นฤกษล้วแก้ไขปัญหนานั่งสามนาทีห้าทีทุกเวทนาปรากฏไปแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้ว เพราะความหมายก็บางทีมันทนอยู่ก็ได้เกิดกับใครและทนอยู่ก็ได้ถ้าใครทนอยู่ได้ถ้ามันรู้จักมันได น, นั้นจะเข้าใจทุกแต่ทุกวันนั้ไม่ใช่เราไม่สู้มันเราพยายามหนีมันแต่ไม่เค่หนีผลมันวนไปเวียนมาอย่างนีนี่คือขอ้อแรกอันนี้คือมาว่าสัจจะคือความจริงแต่เราไม่อยู่ความจริง อยู่ความทุพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเป็นสีถนนชัยเป็นเสี้ยงเมี่ยงมาตลอดไม่ค่อยแย่นะจะได้เมื่อรู้ว่าเออมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วทางออกมัคืออะไรต้นต่อคือที่มาที่ไปตปนอย่างไรอยู่มันไม่ได้ลอยมากาอะไรหาที่มาได้ไปคือสมุดไทยพะอะไรกว่าพระวจีเล่า ม, ามันอิงมรรคบูชาเราเองเป็หนึ่งเพราะตั้งหาการมาตั้หา ราะว่ะตันหอวิภาวะตันหออันนี้เป็นศัพท์ทางการเรื่องปริยัติแต่ภาษาเราคืออยากได้อยากมีอยากเป็นนี่เขาเรียกว่าความอยากในเรื่องตันหอเพราะนั้นไม่มีเรื่องความตายความตายเนี่ยความอยากทีนี้ความอยากเหล่านี้ได้รับการแก้ไขหรื อ, อยังผู้ควาอยากเช่นเราอยากข้าวอยากพออยากเสร็จ ที่จริงภาษาทางปฏิบัติทัานเรียกวคือทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะต้องหาทางบำบัดที่เรียกว่ากินจะเรียกว่าเดิมอะไรก็ได้เพื่อให้เวทนานั้นมันกลอนพอหรดูดับลงแต่ไม่ได้ถาวรนชื่อเท้าเราแก้ปัญหาชั่วเข้าก็คือโดยการกินสองมื้อสามมื้อก็ว่ากันไปนั่นคือวัตถุประสงค์ ไม่ได้กินผู้เข้ีพิมันไม่ได้กินผู้เข้อาอร่อยที่เราคิดเอ ง, เองตั้งวัตถุประสงค์กันเองมันได้เห็นผู้เข้อาอร่อยกินเพื่อบรรเทาเวทมนตให้มันเบาบางลงมันจะได้อยู่ได้วัตถุหลัเป็นอย่างนี้แล้วเข้าใจลักษณงเหล่านี้ไหมแล้วในทางปฏิบัติเราเชื่อเหล่านี้ไหมเพราะลักลณะนี้ตัวนี้ตัวที่เราจะต้องรัก อยู่ตั้งหัในธรรมจากชัดเจนเลยแต่เป็นภาษาบาลีก็ไม่เข้าใจในภาษาบาลีแล้วกระทั่งเป็นน้แ ก, ก้วน้องคุณดแต่เรากลับกลับอย่าไปละตัวแรกคือทุกเนี่ยของที่เราไม่เข้าใจไม่ศึกษาคือไม่มีปรยิยญาในภาคปฏิบัติมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไดาดหลังเตัวที่สองอสาก็คือ เมื่อมันมีอย่างนี้ปรากฏอยู่มันไม่มีทางดับคือไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จบคือจุดจบมันไม่มีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนแล้วตายแล้วมันไม่เกิดคือไม่มีจุดที่สิ้นสุดมันเป็นไปไม่ได้คืออย่างนี้ก็เช่นเดียวกันกระบวนการของมัแล้ววิธีดับก็คืโรอดเนี่ยจะต้องดับย่งไรก็ต้องทาให้แจ้งทำให้เวทแจ้ง ใช้แล้วทําทให้แจ้งตอนนี้มันแจ้งหรือยังถ้าไม่แจ้งก็ไปล ว, ว่ามันมืดใจเรามันมองไม่เห็นเสิ่งเหล่านี้นั่นคือมันมืดมันมองเสื่อมไม่เห็นหอะไรนี้มันไม่แจ้งขึ้นมาในใจเก็อีกตรอถ้าคือไม่แจ้งมันก็ไม่ดับคือความสงสัยอ น, นันต์ความเป็นอยู่อย่างนั้นมันนั่คือดับจากติตจากใจเราเลยคืเป็นการทําให้มันแจ้งข้อที่สามคือ ทำให้จริงคือดหนทางที่บัแจามันมีชุณธรรมมากเลยหนทางอันนี้ต้องทำให้มันจริงคือจริงใจเ่ตัวที่ส า, ามเราให้แจ้งตัวที่สี่ทำให้จริงจริงคืออะลสินสมาธิปัญญาเราทาจริงจังขนาดไหนสินที่เรามีอยู่สินห้าขี้นี้แหละมันจริงจังขนาดไหน สมาธิที่เป็นความจริงจริงอ่ะมาเคยขึ้นกับเราไหมและปัญญาอันนี้คือต้องทำให้จริงคือจริงจังพูดย่างแต่ถ้าเราเหล่อละมันก็เป็นอแบบจวนาตาทีก็ริดหล่อเลยานาทีท่านเล่าพอสิบนาทีพอแล้วโอ้วันนี้ได้ทั้งสิบนาทีสิบนาทียี่สบี่ชั่วโมงในสิบนาที เราเทียบกับจัตยานเรามันเทียบกันไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นเราเสียเวลาเอาของพวนนกนี้ไปชั่วนาตาปีมาแล้วเพราะฉะนั้นจะรี่ไปจะต้องจริงจังกระบวนการหลักเพราะว่าสิ่งเหลนี้เป็นสิ่งที่ผู้จางผลแล้วมาชี้แจงซี่หลอนถือว่าเป็นหลักในการปฏิบัติของพวกเราถ้าเรายังไม่เข้าใจอย่างตะเปะตะปะอะไร แต่มันจะไม่มีเป้าหมายเมื่อไมมีเป้าหมายก็แปลว่าเหมือนเรานั่งรถจะรัางไปไหนที่ยังไม่รู้ทางจะไปไหนไม่ถูกเหมือนตอนนี้ชีวิตเรากําลังเดินทางอยู่เดินทางไปไหนตอนนี้ <c oughs> ถ้แสดงไม่มีเป้าหมายการปฏิบัติของเรามันไม่มีเป้าหมายอเอาไป่คิเรื่องมีเป้าหมายทั้งๆผู้เจ้า <c oughs> ตั้งเอาไว้ชัดเจนในวันมาพะเดือนส ตอนที่เผย่ชัดเจนเราอุดมการ์เราเป็นอย่างนี้นะวิธีการเราเป็นหลักการเราเป็นอย่างนี้บอกเลยว่าหลักการเป็นอย่างนี้อุดมการ์เราเป็นอุดมการ์คือเป้าหมายของศาสนาเราเป็นอย่างนี้แล้ววิธีการที่เข้าถึงเปัจจัยต้องเป็นอย่างนี้ครอบทุกประเด็นแต่เราไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องอนุปาวารโรนุปกาโตคือวิธีการวิธีการคืออย่าไป ไปเผยแผ่ไไ er สาธารณะงไหนก็ได้อย่าไปกระทบกระทั่งหยุดเดียงกันด้วยกา ย, ย, ยหรือ er วายถิ่นผมพูดง่ายอย่างเนี้จะจะไปเผยแผ่หรือไปพูดไปจาอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่แสดงต้องเป็นการแสดงธรรมไม่ใช่ไปแสดงตนแสดงตนหรือแสดงขันห้าแสดงรูปนาฏแสดงตัวเองตัวตนตัวข้าพเจ้าเป็นตัวอันนั้นเป็นที่แสดงธรร คุณยายก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าจแสดงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคาราวาส ญ, ญาจอยก็ได้มันมันแสดงตนมากกว่าแล้วเราก็ชอบพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมไม่เคยแสดงปมเป็นกันแสดงธรรมลุ้นๆคือแสดงความจริงที่มันเป็นอยู่และก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดแต่พระองค์พยายามที่ยกคืออุปปามขุปมามว่าที่เป็นอย่างนั้นอดีต เ, เ, เคยเป็นอย่างนั้นเคยมาแล้ว เพราะพวกรู้ทั้งสองฝั่งคือที่มาที่อยู่แล้วก็ที่ไป น, นแต่พวกเราไม่รู้ปัญหาของเราคือเราไม่รู้ที่มันแต่วันชัดเจนพวกมีที่มาแน่นอนชัดเจนมีที่อยู่แล้วก็จะมีที่ไปชัดเจนมันไม่ใช่อยู่แค่นี้จากนี้ไปที่ไปของเราจะไปหมายคือว่าเมื่อจิตออกจากร่างแล้วจิตแต่มันจะไปเกาะอะไรอยู่เพราะมันมีต้นทุน ไม่มีหลักการวิธีการเลยเลยจิตมันจะไปหนึงต้องทำอย่านี้จะเป็นงูเหลื่อมหรือเปล่าจะเป็นเสือหรือเปล่าจะไปเป็นเลนหรือเปล่ากอเป็นอะไรก็ไม่รู้ยังตอบไม่ได้เพราะนั้นการปฏิสิทธิ์อย่างที่พอเธอพูดอยู่เสมอว่าการปฏิบัติธรรมนี่เลาคือคําตอบว่าเราจะเป็นยังไงจะไปทิ่ทางไหนเป็นตัวกาหนดทุก เรากำหนดได้ขนาดไหนค้ากำหนดไม่ได้เลยก็ปฏิเ are, สธก็ตาสมุทัยเราละได้มากน้อยขนาดไหนคือทําให้มีมันน้อยลงคือเป้าหมายต้งเลิกเช่นความโลภความโกรธความหลงมันไม่ให้มันมีเลยมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่ยอยๆละคือทิ้งทิ้งทีละอย่างทีละเล็กทีละน้อย น, อยนี่ที่เรียกว่าละ ถอนปล่อยวง <Wow. S 1> ละได้กันละถ้าถอนได้บางอย่างก็ถอนปล่อยได้ก็ปล่อยวางได้ก็วางนี่ก็ละก็ไม่ได้ก้ใหญ่ถอนก็ไม่เคยถอนเลยวางก็ไม่เคยวางเลยจากนั้นจะไม่มีการละถอนปล่อยวางเลยคือเต็มๆนะเพราะนั้นตัวที่ช่วย มากที่สุดก็คือสติสมาธิปัญาโดยมุ่งอบรมจิตตอ่อตัวเองให้รู้อยู่สมอว่าถ้าจิตมันเป็นกุศลเนี่ยมันจะผลเป็นจริงยังไงถ้าจิตที่เป็นอกุศลไปในขณะนั้นไาถึงที่เป็นปัจจุบันเพราะไม่มีใครรู้เราเท่านั้นที่จะรู้เออจิตแต่สติมันไม่เกิดมันนึกไม่ได้ พอมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ไปผสมโลย่าเป็นกิโลจนเป็นเอตดเป็นปัจจัยที่ให้ก่อกรรมทําดีทําชั่วไปเพราะว่าจิตของเราสติมันไม่มีสติโดยทษจิตมันไม่ได้นะเพราะจิตเนทําทให้มีสติก็ได้ไม่มีสติก็ได้ให้เป็นกุศลก็ได้อะกุศลก็ได้แตกตัวเข้าจริงๆเดีเด๋ยวก็ลงตัวธรรมชาติเขาคุา้มครอง เราไปเข้าใจส่วนเหล่านี้ขอ้ขอเป็นกลางในจิตของเราไม่มีมันก็รม้ตัวอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติด้วยการเดินนั่งแม้แต่นอนคือก่อนจะหลับอ่ะคือก่อนที่จะไม่มีสติอะไรอย่างนงี้ยให้เราพิจะได้ยกมืออย่างเงี้ยให้จนจนมันหลับไปแต่ให้มีสตินะจะมันหลับไปหมดไปกําหน ด, ดอะไรก็ได้ใช้ว่ากำหนดเรียกไปละไปแต่ไปปล่อยวางใชกว่ากำหนด กำหนดลมหายใจก็ได้กำหนดบริกรรมก็ได้กำหนดอะไรก็ได้ให้มันหลับไปแล้วกำหนดต่อสมมติใช้ในบทคําว่ากําหนดเกำหนดต่อก็แปลว่าครูอาจารย์โดยหลังใหญ่ใจความทัดใช้ขั้นนี้ท่านบอกว่านาฬิกาสมัยก่อนครูอาจารย์มีนาฬิกามั้ยมีนาฬกากุก๊กโก้มีโทรศัพท์อย่างเราบ้างอ่ะทำไมท่านรู้ท่านตื่นได้อย่าลุบปูเราตีสามแล้วอ๋ ทำไมท่านตื่นได้ถ้านใช้ว่ากําหนดกําหนดอะไรับหนดจิตคือตั้งนาฬิกยใช้จิตจะเป็นานาฬิกากําหนดว่าเออวันที่สามปุ๊บถ้ารู้ตัวก็วตึกละวันที่สามมาเกิดมันก็ตั้งอะไรไปแต่ต้องตื่นนะเันที่สามเสร็จแล้วต่อต่อสักหน่อยนพะอต่อสักหน่อยพเพิ่มในอาร์หกโมงอะตอนนี้ พอรู้ตัวเถอะอย่าไปมีข้อแม้ใดๆทั้งเยอะทำให้เป็นทิศสัยอย่างนี้นกาหนดเนี้ยทําำใจลองดูก็ได้ไม่ใช่เหมือนนาฬิกาไหมนะจะใช้เป็นนาฬิกาโดูอัตโนมัวิขั้วใจก็ใช้วิธีนะั้นเพราะนะักําหนดกําหนดก่อนที่จะหลับจะได้ก่อนที่จิตมีสติคือหลับนี่แหละกําหนดเลยตื่นขึ้นมาฟึกตัวขึ้นมาเราจะรู้ตัวก็ต้องอทำตัวใยียวยาเช่นเป็นขึ้น พิกตัวขึ้นมาจะรู้ออพอรู้ตัวเออพลิกตไปจิตมันก็ไปแ ล, ล้อยู่ลักษณะอย่อยางงตอนพิกไปพลิกมาในขณะที่พลิกรู้ตัวที่มังคือสติว่าเรารู้ข้างนอกคือรู้กายท่านจะเรียกว่ารู้กายในขณะนั้นสัพพะได้ก็หมดแล้วสติเองก็มาอยู่กับกาวแล้วมันกนหลบไปอยู่ข้างงนเีเพราะฉะนั้นเวลาสิ่งเหลนนี้เวลาปฏิบัติร้อนดังเราเรียกว่าสมาธิเรืออุปจาระสมาธิ มันอยู่ข้างในแต่ว่าอุปจาระมันมีสตินะมันมีสติตลอดเวลาแต่ในมันไม่มีสติรู้ชั่วข้างในกัดอับ้าไปเนี่ยกำหนดอย่างนี้มารู้ตัวว่าอะไรก็ว่จะตื่นขึ้นมาจะทำบุญกระด่างหล้วนอแล้วก็จะเดินทางอริบุตรเหมือนพระโมคคลลานะเดี๋ยสิ่งแต่แล้วที่สอนถึงพระโมคคัลลาน้องงองหน้าหอนอนครูพระองค์ก็ใช้วิธีเีโมคคัลลนะเราทํอยางนั้นหนึ่งแล้วแบบสี่ก้อนหนึ่งเลยนั่นคืออันนี้ เ่็กำหนดว่าตื่นโดยถ้าเสีหสายหะใส่ยากไปนอนตะแคงขวาที่มันนอนตะแคงขวาเพราะอะไรเพื่อหัวใจของเราอยู่ด้านซ้ายถ้าเรานอนทับกับมันก็นอนทับหัวใจถ้าตะแคงขวาอยู่ข้างบนเดี๋ยวบ อ, อกนะมันหาใจสะดวกเร็วเสียหายใส่ยากก็นอนตะแคงขวานอนแท้กว่ากําหนดทุกคนมีสถิติว่าอรู้ตัวเมอไหร่ก็จะตืเนอยู่มันมันว่างไว้แต่ไหลเรื่องธรรมดาเดี๋ปกตกที่ธรมรมด งวงกระบายมันหลับไปแต่ลรา ไ, ไม่ควรไปมีสติเลยเพราะในขณะจวนนี้เราเนืิอสติสังขารก็เช่นเดียวกั น, กกนคนจะหลับก็ปล่อยมันหลับป่ไปในทางนั่งบ้างท่าเอนบ้า ง, งไม่เป็นไรไม่จริงจังแต่ขนาดไม่แตะอะไรเลยหลังไม่แตะอะไรแต่ว่ากาหลอดก็เออถ้ารู้ตัวขึ้นมาโอถ้ามันกำหลอดฉันดีกํา ล, ลดอะไรก็ได้พ่านมีสติเก็บขมาให้ตัวนัว่นเป็นหลัก หปู่หลวงพ่อทั้งหลาก็เช่นเดียวกันอย่างนลองปูก่กษ ม, ม, มเนี่ยมตมนนี้จะชุ่มตาหลวงปู่เฟื่องนี่นจะเชนค่ะทั้งชีวิตคออย่างนี้ทั้งอยอยไม่ใช่ดีไม่ได้แปลว่าไม่หลับเลยไม่หลับเลยไปกระต่าเปิดปืนธรรมชาติปิดธรรมชาติแต่หลับทุกคนมีส ต, มติว่าตื่นขึ้น ม, มามันก็สดชื่นเหมือนหลับาตาเออตรงกระทาท้าลืมตาแล้วไม่หลับเออเจะเพลียนนี้จะเพลียเพราะไมนหลับธรรมชาติเออมาเจอแสงเจออะไร มันจะเป็นหลักธรรมชาติถ้าถ้าเป็นธรรมชาติมันหลับนิเดียวตื่นขึ้นมามันก็สดชื่อเหมือนกับหลับเราลดดั้งสมาธิถ้าสมาธิเราดีพอมันคงกําหนดเหมือนครูบาอาจารย์ท่านพักนิดเดียวรับแขกทั้งวันทนะั้งคืนท่านรับได้อย่างหลวงปู่ทั้งหลายแหล่หลวงปู่เปี่ยนหลวงปู่แหวนวัยอายุเจ็ดสิบแปดสิบแล้วรับแขกวันตั้งแต่เช้าจาาา น, นค่ำครูบาอาจารย์ ก็แม่ตางว่ามาทำไมมีปัญหาทำไมลูกปู่สู้ก็ให้แล้วอายุขนาดแล้วทำไมลูกปู่บอกว่าเขาอตสามารถตั้งไกลกว่าจะนััตรถบัสก็เดือกว่าจะมานึ่งกี่ชั่วโมงสิบกี่โมงยี่ิบชั่วโมงมาเพื่อเห็นเพื่อการทดลองอ่ะเป็นความแม่ตองผมเขาไม่คิดอย่างเราท่านไม่ได้คิดอย่างเรานี่คือความแม่ตาแม่ตาถ้าเกิดขึ้นในใจโดยสภาวะนี่ยนั่นคือความแม่ตาความงดงามตัวอันดับสองของคนนี้เนี่ย เพรา้นเราก็สามารถจะเอาเราได้โอปัญญโกนองรู้สึกคุณของผู้เชี่ยววิธรรมกุพระอาริยสงฆ์คือพระแม่ครูอาจารย์แต่และองค์แต่ละท่านก็จะรอดมาได้โอ้หนักหนาสาครเราคงคงได้ยินนไม่กี่เดือนไม่กี่ปีที่ผ่านมามาเคยได้ยินว่าไม่ทราบเพราเราได้ข่าวลาว่าเสือขกาพะไปกิน เดินเท้าดงห้อยดาแข่งห้อยดาแข้งเนื้ออยู่ในเขตเขตอุทยัยแต่เขตใหญ่อุทยานใหญ่มากห้อยแข้งมันจิดกระตุ้นเด่นในเลส่วท้องใหญ่นนใญนเลยส่ว น, นอยู่เขตแ ด, ดงหลายจังหวัดตั้งแต่ขันธจันทบุรีตรงถ้าหลงเข้าไปแล้วก็ตายอย่างเดียวท่านอ น, นีรก็เช่นเดียวกันท่านเป็นชํานาญในพื้นที่ีชวนเพื่อนไป เพื่อนก็ไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นประสบการณ์อย่างน้อยแต่คนนั้นประสบการณ์ก็ปล่อยไอ้เพื่อนไปก่อนตัวเองไปตามที่หลังแต่นี่ไอ้เจ้าเสือเนะี่ยมันเป็นเสือเจ้าแม่ลูกอ่อนมังพยาทีธิหาเหยือ่อหาแรงมาเลี้ยงลูกไปขยันมาหากินโอ้โชคายของพระพระเนเดินที่หลังเติมหลังเพือ่อนปรากฏว่าโดนเสือตะปบไปคนเดินข้างหน้าเข้ามาดูเรื่อง S <S <an> สุดท้ายก็ท่านกันบบุราภาพโดนตะปบบอกเฮ้ยทำไมไม่ตามมาตีมาเดิาอ้าโดนเนื้อหายเป็นเป็นแถบไปแล้วเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็จะรอดไปได้ทุ่งใจได้สวนเช่นกันท่านก็คงจะเคยได้ยินว่าสุ ข, ขุขุนพ่อเถียนหลวงพ่อเถียนเนี่ยทุ่งใจอันนี้ห้องแท้ท่นเรื่องมาเคยยังไงเป็นไหม ถ้าถามว่าเสือบาปมันไม่ได้คิดอมันไม่คิดว่าเป็นบาปเป็นบุญมันคิดจะหาอาหารไว้มาเลี้ยงลูกอย่างเดียวโอเคนี่พูดถึงเสือเมื่อกี้เสือตัวแรกบุก่องเลยเสือได้เสือจริงเนี่ยเป็นความเป็นเสือคือใจมันโทสะพิทุสราเลยมันจะเป็นอย่างนี้มันไม่ดูดำรู้แดงโมโหขึ้นมาโดยสภาพจิตมันก็ได้เป็นอย่างนี้มันไม่คิดว่าเป็นบาปไม่คิดว่าเป็นบุญที่มันทํำลงไปคิดว่าหาอาหารให้ลูกอยู่รอบด้านอันนี้ จิตมันได้แค่นั้นเนี่ยต้องระวังนะถ้าจิตมขนาดใดที่เราจิตเป็นเสือจิตข้งเราเป็นงูเหลือมเนี่ยอันดองลอยจิตก็เหลือเกิเหมนแกหลับแก่นอนงูเหลือกิตแล้วมันก็นอนภากเล็กเน่นน้อยต้องระวังเนี่ยนน้อยเนินใหญ่กว่าน้อยกว่าใหญ่กินแล้วก็นอนเหมือนงูเหลือมนะต้องระวังมันได้แต่เนินหน่อย เออเราก็ยช่นเดียวกันมันการผู้สอนพ่อพทราบเนาอแต่มันก็ยังดีความเป็นโมเหลือมอย่าดีตัวตัวเออกูก็ยังมีทรัพย์อยู่แต่มันก็ยังปลื้มมันไป็ปที่พระทรัพย์จริง้วว่าแต่ว่าปลื้มถ้าใครมีทําให้ปลื้มใจชื่นใจได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่รู้มันอยู่ในธนาคารตอนนี้นหรือเอรู้อย่างเออจริงๆเองกูมีทรัพย์นี่ ทั้งที้ไม่ได้ใช้อ่ะพี่จะได้ใช้แล้วบอกยังไม่รู้แต่ก็ปติอยูิปืมในพิ่ับกามาซับไม่ได้ใช้อันนี้คืองูเหลือมล่ะจิตเป็นงูเหลือมถ้าจิตโมโหโทสโสเด๋ยวนี้เหตุไม่มีผุเดี๋ยว น, นี้นี่คือเสือแล้เจ้าโทรศัพท์ละเพราะนั้ น, ระนะเราจะเป็นเสือเป็นงวเหลือมก็ยังไม่รู้เลยนี่เป็นหดายต้นอย่างมันก็พักรอเพื่อ เป็นคติเป็นอุตสาห์วันนี้เราได้รู้ทั้งในพุท ธ, ธการเป็นยังไงปัจจุบันครูบาอาจารย์เป็นยังไงหรที่ทอดทิงที่เป็นอยู่ยกว่าจะรอดมาได้อย่างลราพ่อที่พูดมาทั้งหวยกะแข่งรามกลางพ่อ่านหมนเลยแต่เราไม่คุยแล้วนเองกลัวเจออะไรมาบ้างเดือพันผ่านเ้าหมดแล้ว เ, เป็นคณะเป็นกําลังใจให้พวกเราคือคือรอดมาแล้ว ไม่เป็นอาหารของเสือก็บุนแล้วไม่เป็นอาหารของงูเหลือมก็บุนแล้วถ้าดูงูเหลือมก็อยู่คนละฝั่งอยู่คนละภาคอยู่คนละถ้ำก็เห็นกันอยู่ว่าแต่อยู่คนละฝา่แเรวก็คิดว่ามันไม่ไปไหนมาไหนแสดงมันอิ่แล้วถ้ามันอิม่มเราควรจะหาอาหารแสดงล้วมันอยู่เฉยเฉยแสดงมันอิ่มแล้วก็สบายใจไดก้ก็อยู่เข้ามาแล้ว ก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนหนึ่งโอ้ครูอาจารย์แต่และองค์แต่และท่านจะรอดปลอดภัยมให้อัดให้ทำกับพวกเราได้นี่เอง น, นี่ทำไมนี่ก็เป็นกําลังใจพวกเราทุกคนว่าเรามาถูกทางแล้ขวขอฟังธรรมจําทร์สินภาวนาะมาถิดทางเลยเราจะไม่กลับไปเหมือนเดิมหรือไปต่ํากว่านี้แน่นอน คือจะไม่ไปทําไปอาบายแน่นอนอะไรแบบนี้นี่คือหลักประกันหลักประกันที่เราคุยอยางปรากฏจังนะคุยรากฏชื่แต่ถ้าเป็นยังไม่มีหลักการเหตดผลเลยนี้เลยนี่มันไม่มีทิศทางเลยตอนตอนแรกเรามีเป้าหมายแล้วเรากาลังเดินทางอยู่ไปไกลมากน้อยขนาดอยู่ที่เราจะไปเร็วไปช้าอยู่ที่เราอยู่เพ่ปฏิปทาการเมืองกลางดิ้นการปฏิบัติของพวกเรานี่แหลย จะถึงปองหม่องเร็วช้าถ้าอยู่ที่เราคําว่าเร็วนะั่นคืออยู่ที่กําลังสติปัญญาถ้าแม้ใครกลางสติปัญญาเร็วก็ถึงเร็วใครมีสติปัญญาน้อยก็ถึงน้อยแต่อย่งไรก็ตามถึงแน่นอนช้าหรือเร็วก็ถึงแน่อนอ น, น, อ น, อนแต่ต้องเดินเนาะก็ปฏิปทาคือดำเนินบนมังคือหัวทางเส้นนี้ คือเสร็สมบัติปัญอาพลังข้อนี้ท่านยังใช้ครับว่าจริงคือต้องทําจริงไม่ใช่เล่นๆโน้ย ห, หัวคืออยากทําก็ทําไม่อยากทํำก็ไม่ทําคือนึอ ก, อกได้แต่ดิไม่ไแม่เลยชั้นอะไรไม่จริงผมไม่ได้ทําจริงแต่ถ้าเราทําจริงจัง เ, เออมันแน่นอนแน่นอนการเดินทางของเราสู่เ ป, ป้าหมายสําเร็จแน่นอนเพราเขอขอวยพรใน้เราต้องหรอได้ถึงเป้าหมายนั้น ทา้งโลกเป้าหมายทั้งโลกก็ให้เจริญเป้าหมายทางธรรมก็ให้เจริญก็ให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเป็น